ยังเปมะโตวิปะมุตตสระนัติโสโกโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักภัยจะมีแต่ที่ไหนตอนพระศาสดาตรัส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 ให้ทำการฝังสตีระคือศพของนางไม่อาจจดกั้นความโศกไว้ได้มีทุกเสียใจไปสู่สำนักของพระศาสดาถวายบงคมแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าวิสาขาถ้าไม่หนอเธอจึงมีทุกเสียใจมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตา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 รัดแกมม่อมฉันว่าในกรุงสาวัตถีมีชนประมาณเจโกรคือ70ล้านวิสาขาก็ถ้าชนมีประมาณเท่านี้เท่านี้พึงเป็นเช่นกับหลานสาวของเธอไซเธอจะบึงปรารถนาเ่าอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าขาวิสาขาก็ชนในกรุงสาวัตถีทำกาละ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 พระศดสดาจึงได้ตรัส ก, ก, กับนางว่าท่านกระนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดแต่ความรักนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเปมาโตชยตีโสโกโเปมาโตชยตีพยังเปมะโตวิปปมุตตสะนัตติโสโก ูุโตพระยังความโศกย่อมเกิดแต่ความรักไพยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแกผู้พ้นวิเศษแล้วจากความรักไพยจะมีแต่ที่ไหนก็ในบรรดารมเหล่านั้นคาว่าเปมะโตคือแต่ความรักหมายความว่าเพราะอาศัยความรักที่ทำไวในบุตรและทิดา เป็นต้นนั่นเองในการจบเทสนาชวนเป็นอันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนังนนี้แหละเรื่องนางวิสาขาอุบาสิกา